ทำไม่เข้าวัดแล้วสักแต่ว่าไหว้พระพอเป็นพิธีทมบุญบำรุงวัดตามประเพณีแล้วก็ออกไปชมต้นไม้บ้างก่อนกลับไม่ใช่ว่าไม่ดีดีอยู่หรอกแต่ยังไม่ดีพอาศาสนาธรรมะเป็นสิ่งที่ต้องน้อมเข้ามาชำระหาอุบาย แก้ไขข้อบกพร่องที่อยู่ในใจเสริมสร้างสิ่งที่ดีงามอย่างนี้คือการเข้าวัดที่เข้าท่าได้ทั้งวัดปฏิบัติได้ทั้งเครื่องวัดตัวเองพระอาจารย์ชยะสาโรภิกขุ หลักคาคําสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านจะเน้นเรื่องการฝึกจิตฝึกใจการฝึกจิตฝึกใจเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าทำให้ใจเนี่ยเข้มแข็งแล้วก็มั่นคงมีพลังจะได้ไม่หวั่นไหวไปตามสายลมหรืออารมณ์ถือว่าสำคัญมาก เพียง น, นั้นถาาว่าเรามีจิตใจที่มั่นคงมีพลังใจเราจะไม่มีอาการท้อแท้หรือหมดกําลังใจกับสิ่งที่มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจและยิ่งเหมาะสําหรับคนที่มีความทุกข์เพราะร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอยู่เสมอ ถ้าเรามาฝึกฝนจิตใจแล้วใจจะไม่ทุกข์ด้วยจะเป็นทุกข์เฉพาะร่างกายแต่ใจยังเข้มแข็งอดทนต่อสู้กับความทุกข์โดยที่ใจไม่ต้องเป็นทุกข์หรือบางครั้งเราอาจจะมีจิตใจที่เคร่งเครียดวิตกกังวลนอนไม่หลับอันนี้เป็นเพราะว่าใจิตใจเนี่ยยังไม่เข้มแข็งยังไม่มีพลัง จึงปล่อยให้ความคิดที่มาปรุงแต่งจิตใจเราทําให้ใจระวันไหวไปตามอารมณ์ของความคิดทําให้นอนไม่หลับเครียดแปลการใช้ชีวิตหรือวิตกกังวลเรื่องอนาคตอันนี้เป็นเพราะใจเรายังไม่ได้ฝึกหรือบางคนอาจจะเบื่อเบื่อโลกคําว่าเบื่อโลกนี้ก็อาจจะไม่ใช่เบื่อเพราะปัญญาเบื่อที่จะ ต้องแสวงหาความสุขทั้งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันนี้เป็นกรรมคุณห้าื่อที่เราต้องแสวงหาไขว้คว้าเพื่อความสุขกับกรรมคุณห้าเหล่านี้บันทีมันก็เบื่อหน่ายเพราะมันมีแต่เรื่องซ้ำๆ้ำซากๆซ้ำเหมือนเดิมอยู่แล้วก็แสวงหากันไม่หยุดหย่อนจึงอยากจะแสวงหาความสุขแบบใหม่ ที่ไม่ต้องอาศัยการมาคุณทั้งห้าเป็นความสุขสงบเย็นอยู่ภายในจิตใจอันนี้ก็เป็นความสุขอีแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นการฝึกฝนจิตใจเนี่ยทำให้เราได้รับความสุขจากภายในจิตที่เข้มแข็งก็ต้องอาศัยการฝึกวิธีการฝึกนี้ก็คือการทำกรรมฐานเป็นหลักทำคำสอนในทางพระธูกศศาสนา คือการทำกรรมฐานเนี่ยชื่อของกรรมฐานเนี่ยเราอาจจะดูมันคลิ้งเคลียดไปหน่อยแต่ความหมายเขาดีกรรมแปลว่าการกระทําฐานก็คือที่ตั้งกรรมฐานก็คือที่ตั้งเห็นการกระทำทันหน้าจิตใจเป็นความหมายที่ดีมากจะเรียกว่าเป็นโรงงานฝึกจิตใจก็ได้กรรมฐานเนี่ยหรือหมายถึงวิธีการฝึกฝนจิตใจก็ได้ ไปที่กรรมฐานก็มีสองอย่างด้วยกันก็เรียกว่าอะไรสมรถะกรรมฐานกับวิปันากรรมฐานสมถะกรรมฐานนี่ก็คืออุบายทำให้จิตสงบอุบายทำให้จิตสงบนี่คือสมถะกรรมฐานถ้าใครปฏิบัติแล้วเนี่ยถ้าไม่มีความสุขในปัจจุบันนอนหลับสบายป้องกันและรักษาโรคจิตโรคประสาทได้อาจจะสงบชั่วคราวแบบ หินทับยากก็ได้แต่ก็มีความสงบอยู่ในอารมณ์ก็แล้วกันตายไปก็ไปเกิดดีเป็นเกิดในสุขติสูงสุดคือชั้นพรมถ้าสงบตัวทั้งไดชานแล้วก็ไปอุบัติในชั้นพรมพรห ม, มโลกเหมือนเช่นอ า, าลาละดาบทกับอุตกาดาบทเนี่ยซึ่งเป็นอาจารย์ของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถนตอนนี้ก็อุบัติอยู่ที่พรห ม, มโลกแต่เราก็ต้องกลับมาเวียนไหวตายเกิดในภพภูมติต่างๆอีก ยังตัดกิเลสได้ไม่ถาวร อ, อารมณ์ปฏิบัติก็อาศัยสมมุติบัญญัติเนี่ยอย่างเช่นเรานั่งทําความสงบบริกรรมว่าพุโทโธพุโทโธให้จิตเป็นหนึ่งเพื่อจิตมันสงบเราจะนับหนึ่งสสสเพื่อจิตมันสงบอันนี้คือสมถกรรมฐานเป็นอารมณ์การปฏิบัติกรรมฐานที่2ก็คือวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่เป็นชื่อของปัญญา วิปัสนาแปลว่าการเห็นแจ้งวิแปลว่าแจ้งปัสนาแปลว่าเห็นเห็นแจ้งเห็นแจ้งต่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเห็นรูปเห็นนามเห็นปัจจุบันเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนละกิเลสความโลภความโกรธความหลงเบื่อนายต่อรูปนามแล้วก็ปล่อยวางจนกระทั่งถึงนิพพาน จุดสุงสุดคือนิพพานไม่ต้องกลับมาเวียนไหวาตายเกิดในภพภูมิต่างๆดับกิเลสได้อย่างสิ้นเชิงอันนี้คือวิปัสสนากรรมฐานอารมณ์การปฏิบัติก็คืออาศัยปมรมาตธรรมซึ่งเป็นความจริงที่มีอยู่ในตัวเราคือรูปนามก็มีคำถามว่าแล้วเรื่องการเจริญสติที่เราทำอยู่เสมอๆนี่ะการเจริญสติการตามความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นวิปัสสนากรรมฐาน หรือสมถกรรมฐานเนี่ยอันนี้ก็มีคำถามก็ขอตอบว่าเป็นได้ทั้งสองอย่างทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานขึ้นอยู่กับการวางจิตวางใจอย่างเช่นเรากำลังเจริญสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของกายเดินจงกรมหรือนั่งยกมือสร้างจังหวะเคลื่อนไวหวไปมาหรือรู้ลมหายใจหรือทําอะไรก็ตาม ถ้าเราเพ่งเราบังคับเพื่อใจมันสงบแนบแน่นอยู่กับอารมณ์กับกายที่เคลื่อนไหวแล้วก็อันนี้เป็นสมถักรรมฐานแต่ถ้าเรามีสติรู้กายรู้เฉยๆในการเดินการยืนการนั่งการนอนรู้เฉยๆรู้แบบดูแบบแยกๆไม่เข้าไปอยู่ไปเป็นกับกายที่เคลื่อนไหวอันนี้เป็นวิปัสสนาเห็นไหต่างกันแล้ว บางทีมันเกิดอาการสุขทุกข์เขาเรียกว่าเวทนาอย่างเช่นความปวดความเมื่อยที่เกิดขึ้นทางด้านร่างกายแต่ถ้าเราบังคับเพื่อให้ความปวดนี่มันหายไปจิตจะได้สงบอันนี้เป็นสมาถะ ก, กรรมาฐานแต่ถ้าเรามีสติรู้เฉยในอาการความปวดรู้เฉยไม่บังคับความปวดก็ส่วนหนึ่งสติ ที่เข้าไปรู้นก็ส่วนหนึ่ง ม, มันแยกๆกันอย่างเงี้ยไม่เข้าไปเป็นผู้ปวดไม่มีการบังคับความปวดความเมื่อยเขาจะหายหรือไม่หายเนี่ยก็ไม่สาคัญไม่เกี่ยวสติแค่รู้เฉยอันนี้เป็นวิปัสสนาไม่มีการบังคับมีแต่ ก, การตามดูตามรู้หรือบาอทีมันเกิดความคิดความคิดปรุงแต่งนจในจิตใจชอบใจหรือไม่ชอบใจเนี่ยถ้าเป็นสมถกรรมาฐาน แล้วก็บังคับเพื่อให้ความคิดในมันหายไปจิตจะได้สงบมุ่ง่าความสงบแต่ถ้าเรามีสติรู้เฉยๆความคิดจะดับหรือไม่ดับก็ไม่เป็นไรแค่รู้เฉยๆรู้แบบปล่อยๆวางๆไม่ต้องการอะไรอันนี้เป็นวิปัสสนาพอจะดูออกเลยหรือบางครั้งมันเกิดอารมณ์ในจิตใจเรา เป็นรูปเป็นนามเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเคลื่อนไหวเป็นรูปเห็นใจที่คิดนึกเป็นนามแค่รู้เฉยๆว่าสักแต่ว่ารู้รูปนามมาเป็นเพียงให้เราแลือกรู้ต่านั้นรู้แบบสบายๆอันนี้เป็นวิปัสสนาเราพอจะแยกได้ว่าเลยแต่ละวันเนี่ยเราปฏิบัติอย่างไรขึ้นอยู่กับการวางใจแต่ถ้าแต่ละวันเนี่ยเราไม่รู้อะไรเลยลงลื่สติ เผลอไปกับอารมณ์เสมอๆ เ, เนี่ยอันนี้ถือว่าไม่มีกรรมฐานยังไม่ได้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเป็นวิปัสสนากรรมฐานหรือสมถกรรมฐานอั น, นี้ก็ไม่เป็นไรขณะปฏิบัติเราไม่ต้องแบ่งแยกมีประโยชน์ทั้งคู่แหละมันแยกกันไม่ออกหรอกเหมือนอย่างกับอะไรไม้ท่อนหนึ่งก็มีทั้งทางโคนแล้วก็ทางปลายอาหารที่เราทานเข้าไป อุจะที่ออกมาเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันเป็นเรื่องเดียวกันขวานหนึ่งด้ามมีทั้งทางคมแล้วก็ทางสันทางสันใช้ตอทางคมใช้ถากใช้ประโยชน์ได้ทั้งนั้นบางครั้งเราต้องการให้จิตมันสงบเพื่อเป็นการพักจิตพักใจอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์เป็นสมาธิแต่บางครั้งมันเกิดความคิดนึกปรุงแตง่งฟุ้งซ่านเราก็ต้องใช้สติ รู้เท่าทันในความคิดแล้วก็ปล่อยวางใช่ ไ, ไเราใส่สองอย่างเลยทั้งสมาตาทั้งมิปรสนาปฏิบัติควบคู่กันไปเลยไม่ควรจะแบ่งแยกในชีวิตแต่ละวันเนี่ยเราควรจะมีเรื่องของกรรมาฐานเข้ามาเกี่ยวข้องจะได้ประโยชน์มากจะเป็นบุญเป็นกุศลจะทำอะไรอยู่ก็าตามจะนอนจะนั่งจะยืนจะเดินให้เรารู้ตัวมีสติมีจิตใจจดจ่ออยู่การทางานเป็นสมาธิการอ่านหนังสือการเขียนหนังสือ ใจิตใจจะไม่เลื่อนลอยแต่ถ้ามันเกิดความคิดหงุดหิดชอบใจไม่ชอบใจเราก็รู้เท่าทันอาการต่างๆในแต่ละวันอันนี้เป็นการปฏิบัติอยู่กับการทํางานไม่ต้องไปไหนอยู่กับตัวเรานี่เองเป็นบุญเป็นกุศลที่เราควรจะสะสมเป็นอุปนิสัยให้เกิดขึ้นอยู่หนึง่งเหนือพอนานวันเข้าเนี่ยจิตมันก็จะเต็มเต็มไปด้วยบุญกุศลที่เราสะสมเอาไว้แม้กระทั่งเราตาย เราก็เกิดในสุคติตายไปกับ ก, บกรรมฐานกับการปฏิบัติเนี่ยจะล้องไปสู่ความเป็นสุขโตนะสุขโตก็คือเป็นผู้ที่ไปแล้วด้วยดีไปแล้วด้วยดีไปอย่างไรคือไปสู่ความไม่มีทุกข์เลยนะพยายามที่จะสั่งสมสิ่งเหล่านี้ให้มีขึ้นในจิตใจเราเสมอๆจะเป็นที่พึ่งของเราทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคต